อเมี่ก่อนทุกันทุกคน <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันที่13เมษายนพรุ่งนี้เป็นวันที่14 <c oughs> ก็จะได้ทาพิธีส่งน้ำพระคุณเจ้าและก็ส่งน้ำผู้เท่าผูแก่นี่ก็ประมาณสัก3โมงกว่า9โมงถึง10โมง มีโอกาสก็ข อ, ขอเชิญพี่น้องเรามาร่วมกันทรงน้ำพระคุณเจ้าทรงน้ำเบชีทรงน้ำองค์พระพุทธรูปองค์แทนพระพุทธเจ้ามีโอกาสก็ข อ, ขอเชิญชวนนะวันพรุ่งนี้แล้วก็จะได้ทําพิธีถวายต้นพ้า ป, ป่จากผู้ใจบุญ <c oughs> หลายคนหลายท่าน <c oughs> มาร่วมมาร่วมกันญาติโยมท่านใดอยากจะมาร่วม ทำบุญถวายต้นพระป่าเพื่อสร้างพระมหาเจดีย์พุทธเมตตาหลวงก็ขอเชิญได้พรุ่งนี้ก็หลังจากฉันปติหารเสร็จพวกเรามีโอกาสได้มาร่วมกันมาช่วยกันทุกอย่างอะไรที่จะเป็นประโยชน์ฝากเอาไว้ในแผ่นดินฝากเอาไว้เป็นสมบัติของส่วนกลางฝากเอาไว้ในใจของเรา โอกาสเปิดการเวลาเปิดสถานที่เปิดทำมากทำน้อยพวกเราก็มาพลอยอนุโมทนาสาธุร่วมกันเราก็จะมีส่วนแห่งบุญจากครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งก็มากขึ้นมากขึ้นก็เป็นบุญกองใหญ่ฝากเอาไว้พวกเราจากไปคนรุ่นหลังก็จะได้มาสาต่อ <c oughs> ทำหลายที่ นี่แล้วก็ที่โรงเรียนด้วยวันที่เท่าไหร่นาะท่านเจ้าคุณที่จะได้เอาอัญ เ, เ, เชิญองค์พระพุทธรูปมาปฏิทฐานที่โรงเรียนที่พวกญาติโยมพวกเราได้ทําพิธีหล่อกันวันที่วันที่หนึ่งเบษายน์่ันที่เท่าไหร่ถึงจะได้อัญเชิญมาปฏิทฐานอาทิตย์ที่สองกรกฎาคม มีโอกาสตรงนั้นเราก็ได้มาร่วมกันมาช่วยกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านที่ไร่ที่นาเนีก็ถ้าใจดีก็เป็นบนุญหัดสังเกตหัดวิเคราะห์ฝึกทำความเข้าใจแต่และ ว, วันตื่นขึ้นมาจิตใจของเราเป็นอย่างไรจิตใจของเรามีความสงบมีความปกติจิตใจของเรา มีความอ่อนโน้มทำตนเราพยายามหัดสังเกตหัดวิเคราะห์หัดอบรมใจของเราเจริญสติเข้าไปอบรมใจของเราให้ใจของเราอยู่ในโอวาทของสติปัญญาของเราจิตแต่ละดวงปรารถนาที่จะหาทางดับทุกข์หาทางหลุดพ้นอืแต่วิธีการแนวทางพระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบแล้วก็ออกมาเปิดเผย การจเจริญสติคำว่ า, าสติรู้กายที่ต่อเนื่องกันเป็นอย่างนี้มีศรัทธาน้อมกายเข้ามาน้อมใจเข้ามาแล้วก็ปฏิบัติตามคาสอนของท่านการขัดเก่ากิเลสการละกิเลสความโลภเป็นอย่างไรความโกรธเป็นอย่างไรความอยากเป็นอย่างไรความอยากความหิวพระเราชีเราก็พิจารณาปฏิสังขายโย กับประมาณในการครบฉันของตัวเราใจเกิดความอยากเรียว่ากายเกิดความหิวเพียงแค่เรื่องความอยากความหิวก็แก้ไขให้ได้บอกตัวเองให้เป็นให้เอาให้มีเหตุมีผลด้วยสติด้วยปัญญาสติปัญญาต้องรู้ใจอบรมใจใจนี้ถ้าไม่ไม่หลงก็ไม่ได้มาเกิดอยู่ในภพมนุษย์เขาหลงมาตั้งนานหลงมาเกิด ลงมาสร้างขันห้ า, ามาสร้างขันห้าปิดกั้นตัวใจแล้วก็ไปเกิดต่อคือคิดต่อไปอีกทั้งขันห้าทั้งใจรวมกันทั้งปัญญาหลงไปทั้งก้อนนอกจากบุคคลที่มาเจริญสติส่วนบนส่วนสมอง ส, ส่วนสติส่วนปัญญาก็าไปอบรมใจเห็นเหตุเห็นผลชี้เหตุชี้ผลจนใจคลายออกจากขันห้าแยกรูปแยกนาม เข้าสู่วิปัสนาความรู้แจ้งเห็นจริงเข้าสู่สัมมาทิธฐิแต่ทุกวันนี้เป็นสัมมาทิธฐิแต่ยังแยกไม่ได้สัมมาทิธฐิในการทำบุญในการให้ทานมีความเชื่อเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อกรรมแต่ยังไม่รู้ความเป็นจริงยังไม่รู้ลักษณะของใจที่ปกติเป็นอย่างไรใจที่คลายจากขันห้าเป็นอย่างไรอะไรคือรูปอะไรคือนามคาว่าความเกิด เกิดทางรูปก็เกิดทางด้านร่างกายของพวกเราก็เกิดมาแล้วทีนี้เกิดทางด้านนามมาทำคคอใจมันเกิดมันคิดตลอดมันคิดความเกิดนั่นแหละหลักธรรมท่านว่าความเกิดถ้าไม่หลงก็ไม่เกิดหลงมาหลายชั้นหลงมาตั้งแต่ยังไม่ได้มาอยู่ในภพมนุษย์บ่นเวียนไหวตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่อันนั้นเราอย่าเพิ่งไปสแสวงหาเขา เรามาเจริญสติลงที่กายมาแสวงหาใจอยู่ปัจจุบันอยู่ในกายของเรามาอบรมใจซึ่งอยู่ในกายของเราจึงเรียกว่าตนเป็นเดพึ่งของตนตนตัวแรกที่เราสร้างขึ้นมาตัวสติปัญญาตัวนี้ยังไม่เข้มแข็งยังไม่ต่อเนื่องก็เลยไปอบรมใจไม่ได้ก็มีเรื้องแต่วบตามอาเภอใจตามอานาจของกิเลสละขันห้าไม่ได้ ขันห้ากับที่เป็นส่วนนา ม, มาธรรมส่วนรู ป, ปรธรรมก็อยู่ในกายของเรานี้แหละรวมกันอยู่มีหนังห่อหุ้มอยู่นี่แหละดินน้ํามลมไฟธาตุสี่ถ้าถึงวาระเวลาก็ต้องต้องได้กลับคืนสู่สภาพเดิมเพราะาความตายนี่ไม่ได้เลือกการเลือกเวลามารับออนลงศพทุกวันกันละสองบ้างวันละสามบ้าง เกตโลยเกตคุโกโลงลมนมงมาเอาทุกวันทุกวันเรามีโอกาสได้ทำบุญให้กับ أ, คนตายก็ขอเชิญพี่น้องเราอยากจะมาร่วมถวายลงศพอยากจะมาร่วมทำทานลงศพให้กับผู้วายชนผู้ตายก็ขอเชิญได้เปิดรับตลอดเวลาเปิดรับตลอดเวลาคนละเล็กละน้อยอ เ, เราได้มอบโลงศพให้หมอบเงินกองทุนให้ไปช่วยงานศพศพละห้าพันห0าพันมีโอกาสเราก็ได้ช่วยเหลือพี่น้องของเราหรือว่าจะมาะช่วยกันสร้างประโยชน์มาช่วยกันเอ่สร้างมหาเจดีย์ใหญ่มาทำโน่นทํานี่ฝากก็ไว้มาดูแลต้นไม้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องเรามาทํามาฝากก็ไว้ในแผ่นดิน มีหลายที่ที่เราจะต้องทำมหาเจดีย์ใหญ่ก็ดำเนินไปเรื่อยๆกำลังจะขึ้นคานตรงกลางก็จะค่อยขึ้นไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำเรียบร้อนไม่ได้พอค่อยเป็นค่อยไปอาศัยอำนาจแห่งบุญของทุกคน พวกเรามีโอกาสโอกาสเปิดการเวลาเปิดพวกเราก็ได้มาช่วยกันอยากจโยมท่านในปรารถนาอยากจะตั้งโรงทานก็มาได้นะมาตั้งโรงทานกันมาสร้างข้าวพวกข้าวหอ่อติดตามตัวเราไปนี่ถ้าเราไม่มีข้าวพวกข้าวหอ่อการเดินทางก็ลำบากสมมุติว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนสักแห่งถ้าเราไม่มีความพร้อมก็ลำบาก S <S <an> ไม่มีความพร้อมไปสมมติว่าไปเมืองขอนแก่นถ้าเราไม่รู้จักทางเราก็ไปไม่ถูกกว่าจะถึงเมืองขอนแก่นมีจุดแวะพักหลายที่ที่โน่นบ้างที่นี่บ้างเราต้องศึกษาคนา้นคว้าการปฏิบัติใจของเราก็เหมือนกันเราต้องดำเนินตามทางของผู้รู้คือของพระพุทธองค์ ทันใดค้นพบแล้วก็อามาเปิดเผยการทําทานเป็นลักษณะอย่างนี้การจเจริญสติเป็นลักษณะอย่างนี้ศรัทธาน้อมกายเข้ามาละกิเลสยาพิเลสละเอียดเป็นอย่างนี้มีอยู่ในกายของเราหมดใครจะมาโตเถยียงนี้ไม่ได้เด็ดขาดท่านทุงบอกว่าอย่าเอาทิฏฐิอย่าเอามานะมาขัดแย้ง พยายามดับของเราให้สงบเสียก่อนจเจริญสติเข้าไปสังเกตวิเคราะห์รู้ไม่ทันเราก็หยุดเอาไว้ฝืนเอาไว้จนกว่าจะเห็นใจคลายออกจากขันห้าซึ่งเรียกว่างายของที่ควม่มหรือว่าแยกรูปแยกนามเพียงแค่เริ่มต้นสมาทิฏิถ้าเราขึ้นตัวเรือนก็เพียงแค่ขึ้นบันไดขึ้นบันไดยังไม่ปัดกวาดตัวเรือนให้สะอาดบริสุทธ ท่านทุ่มบอกว่าให้เห็นแยกให้ได้คลายให้ได้ชี้เหตุชี้ผลให้ได้ท่านถึงบอกให้เชื่อไม่ใช่ว่าเชื่อแบบงมงายต้องมีศรัทธาแล้วก็ปัญญาด้วยทำความเข้าใจด้วยปรับสภาพใจของเราให้มีพรมีมหานให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนหนักแน่นอ่อนน้อมถ่อมตนไม่วันไหวกับสิ่งต่าง มองให้เห็นตามความเป็นจริงท่านถึงบอกให้เชื่อไม่ใช่ว่าเชื่อแบบงมงายใครพูดอย่างไรก็หลงไปหมดเชื่อไปหมดนี่แหละกิเลสตัวเราก็ยังคลายไม่ได้วิ่งตามกิเลสคนโน้นคนนี้อีกยิ่งไปกันใหญ่เราต้องมา ส, สางภายในให้จบทำใจของเราให้บริสุทธินั่นแหละเราก็จะอยู่กบับบุญ ทำอะไรก็เป็นบุญบุญน้อยบุญมากบุญใหญ่เรามีโอกาสทำบุญระดับสมมุติบุญวิ ม, มุิมีอยู่ในกายในใจของเราหมดถ้าเราไม่เป็นาทาตของกิเลสถ้าเราไม่เป็นาทาตของความอยากทั้งอยากทั้งไม่อยากนั่นแหละ ใ, ใจก็จะไม่นิ่งละออกให้หมด ดับความเกิดให้ได้วางใจให้เป็นอิสระภาพอยู่ที่ไหนก็มีความสุขมีโอกาสก็ขอเชิญพี่น้องเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนที่ทาการทำงานทำบุญให้ตัวเราทำบุญให้กับบริวารขัดเกลากิเลสกิเลสเกิดขึ้นที่กายเกิด ข, ขึ้นที่ใจ เหตุจากภายนอกทำให้เกิดหรือเกิดจากภายในเราต้องหัดวิเค์ไม่เข้าข้างตัวเองไม่เข้าข้างคนอื่นพระเราก็เหมือนกันที่เราก็เหมือนกันอยู่ร่วมกันหลายคนหลายท่านอยู่คนละทิศละที่ละทางมาอยู่รวมกันจุดมุ่งหมายต่างคนก็มาเพื่อที่จะแสวงหาตัวเราหาตัวเองแต่บางคนก็แทนที่จะหาตัวเองหาตัวเองไม่เจอก็ไปละลานคนโน่นละลานคนนี้ มันก็ไม่ดีไม่ต้องไปกังวลว่าจะเสียเปรียบกิเลสคนโน้นเสียเปียบกิเลสคนนี้เราชนะตัวเราแล้วเราก็ชนะหมดไม่จําเป็นต้องไปชนะคนโน้นคนนี้สนามรบของเราก็อยู่ที่กายของเรานี่แหละการขัดเก่ากิเลสต้อง กิเลสเกิดขึ้นเมื่อไหร่หน้าตาเป็นอย่างไรเราต้องรู้ต้องศึกษาค้นคว้าเพียงแค่ความอยากกับความหิวความอยากก็ใจเกิดความอยากเรากลละความอยากใจเกิดปรุงแต่งส่งไปภายนอกเราก็ดับคิดดับความคิดแต่ต้องคิด เราต้องสร้างสติปัญญาตัวใหม่ส่วนสมองไปหัดวิเคราะห์หัดสังเกตหรือว่าสร้างความรู้ตัวนั่นแหละจนเป็นอัตโนมัติไม่ให้ใจเกิดความอยากแม้แต่นิดเดียวผิดพาด ส, สติปัญญาไปแก้ไขเราก็จะมองเห็นบุญกองใหญ่บล้มทำอะไรก็เป็นบุญทำเพื่อยังประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์สงสุดมีโอกาสเดือนพฤษภาคมวันที่9้า วันที่เก้าพฤษภาคมมีโอกาสก็ขอเชิญพี่น้องเราไปปลูกต้นไม้ต้นดอกไม้หลวงพ่อให้ปลูกเยอะอยู่ที่ปักทงชัยสามหมื่นกว่าต้นว่าจะให้ปลูกต้นชมพูพันทิพย์กับต้นกระประพึกต้นคูณแล้วก็ต้นอะไรสีม่ว ง, งตามถนนต้นอะไรนะต้นอินทนิล จะให้เป็นดงดอกไม้อยู่ใจกลางของประเทศเลยทีเดียวต่อไปในวันข้างหน้าสิบปีในวันข้างหน้าพวกท่านก็คงจะได้ได้ไปชมถ้าทำได้สาเร็จก็จะเป็นแหล่งบุญใหญ่เป็นดงดอกไม้แล้วก็จะได้สร้างมหาเจดีย์ใหญ่ลงศิลาฤกษ์ด้วยวันที่9ก้าวันที่พุษส ภ, ภาคม แล้วก็มีโครงกรารมีโครงกรารที่จะได้สร้างหลงปูใหญ่หน้าตัก14บเมตรเดี๋ยวนี้กำลังทำแบบอยู่เอาไว้ตรงปากทงชัยจากนี้ไปหปี1ิปีในวันข้างหน้าพวกท่านก็คงจะได้ยินข่าวหรือว่าถ้าไปก็คงจะได้เห็น จะทำให้เป็นแหล่งบญใหญ่ของประเทศอีกจุดหนึง่งปลูกต้นไม้เยอะๆคนก็จะได้ไปชมต้นไม้ดอกไม้แล้วก็จะได้ไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุส่วนหนึง่งที่จะได้อัญเชิญไปปฏิฐานที่นั่นพวกเรามีโอกาส ก, ก็ขอเชิญไปช่วยกันทั้งกำลังกายกำลังใจทั้งกำลังทรัพย์ มีโอกาสก็ไปร่วมกันไม่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่วัดเราก็ดีหรืออยู่ที่ไหนก็ดีนี่ถ้าเราทำใจของเราให้บริสุทธิ์น้อมใจของเราเข้าไปช่วยถึงกายไม่ได้ไปก็น้อมใจไปอนโมทนาสาธุเราก็มีส่วนแห่งบน ส่วนมหาเจดีย์ของเราที่วัดก็ทําไปเรื่อยๆถึงวันเสร็จก็คงจะเสร็จพอเทวดาท่านไม่ให้ลําบากมีเทวดาที่มีกายเนื้อเทวดาที่ไม่มีกายเนื้อมาช่วยอยู่ตลอดเวลาแต่ละวันแต่ละวันหลวงพ่อก็ขอขอบใจมากที่มาร่วมกันมาช่วยกันใครมาทันก็ทันไม่ทันก็อนุโมทนาสาธุ เราก็จะมีส่วนแห่งบุญส่วนวันสงการวันพรุ่งนี้ก็ขอเชิญมาร่วมส่งน้ำพระคุณเจ้าแล้วก็ส่งน้ำแม่ชเีเราทำมากเราก็ได้เราทำน้อยเราก็ได้ อ, อย่าไปอคติอย่าไปเพ่งโทษวันนี้มีพรุ่งนี้มีเดือนหน้ามีพบหน้ามีถ้าเราศึกษาให้ละเอียดเราจะเห็นตามคำสอนของพระพุทธองค์ อ่าตั้งใจและพรกันอขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกกระปรู้สัมผัสทางลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราให้ชัดเจนแล้วก็ให้ต่อเนื่องด้วยฟังไปด้วยน้มสำเนียกไปด้วยไม่ต้องปั่นนมมือการได้ยินการได้ฟังแล้วก็รู้จักวิธีการน้มลองสุดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ฝันลมหายใจมายา ว, ยาว กายก็สบายขึ้นยยอะใจของเราก็จะสงบกังมั่นขึ้นความรู้สึกสัมผัสของลมหายใจนั่นแหละที่ท่านเรียกว่าสติรู้กายถ้าเรารู้ตั้งแต่ลมหายใจเข้าก็มีความรู้สึกรับรู้อยู่หายใจออกก็มีความรู้สึกรับรู้อยู่ถ้าเรารู้ให้ต่อเนื่องสติสัมปชัญญะท่านเรียกว่าสติสัมปชัญญะส่วนการเกิดของใจนั้นมีมาตั้งนานมีมาตั้งแต่เรายังไม่ได้เกิด จนกระทั่งใจมาเกิดอยู่ในมาสร้างพบมนุษย์แล้วก็มาสร้างขันห้าส่วนกายนี่ก็คือส่วนรูปส่วนความคิดอารมณ์ต่างๆนั่นคือส่วนนามธรรมา ท, ท่านถึงให้เจริญสติลงที่กายก็ เ, เพื่อที่จะอบรมใจ ไปอบรมใจชี้เหตุชี้ผลใจคลายจากขันห้าตามดูแล้วเห็นความเกิดความดับในขันห้าซึ่งท่าเรียกว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไมี ก, กันทุกคนถ้าเราจเจริญสติให้เข้มแข็งให้ต่อเนื่องเราก็จะเห็นสักวันหนึ่งเรารู้อยู่เพราะว่าใจเป็นธาตุรู้ แต่ผู้รู้คือสติตัวที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ยังไม่ต่อเนื่องเอาไปอบรมใจไม่ได้เพราะว่าควบคุมใจก็ยังควบคุมไม่ได้ก็โอเลยอบรมไม่ได้ ก็เลยปล่อยเลยตามอําเภอใจใจก็ทั้งเกิดทั้งเกิดกิเลส ท, ทั้งหยาบกิเลสหยาบกิเลสละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างมีมานานมากขึ้นมากขึ้นกําลังเขาเลยเยอะท่านถึงบอกว่าให้จเจริญพรมวิหารควบคู่กันไปด้วยใจมีความโลภเราพยายามละความโลภด้วยการเอาออกด้วยการให้ใจมีความโกรธเราก็พยายามดับความโกรธด้วยการให้อภัยอโหสิกรรม ใจเกิดความอยากหรือว่าความไม่อยากเราก็พยายามควบคุมใจให้อยู่ในความสงบให้รับรู้อันนี้เรื่องของกายใ น, นเรื่องของใจแต่เขาก็อาศัยกันอยู่ เราต้องจเจริญสติเข้าไปดูด้วยรู้ด้วย <c oughs> เห็นได้ด้วยจนใจคลายออกที่เหตุที่เห็นผลได้ด้วยไม่ใช่ว่าปฏิบัติแบบหลงงมงายต้องปฏิบัติต้องรู้แจง้งเห็นจริงที่นี่เราจะละได้หรือละไม่ได้ก็ขึ้นอยู่ความเพียรของเราแต่ละชั้นแต่ละขั้นแต่ละตอนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเพียงแค่ความรู้ตัวพวกเราก็ยังขาดการสร้างสติสร้างความรู้ตัวให้่อเนื่อง อาจจะทําอยู่ได้เป็นบางครั้งบางช่วงบางคราวบางครั้งเราก็ฝึกหัดปฏิบัติมาตั้งนานเราละความโลภละความโกรธเราอบรมใจของเราได้อาจจะเป็นบางครั้งแต่เราไม่ทําให้ต่อเนื่องจนใจอยู่ในอาวาน้องสติของปัญญาจนหนุนกําลังปัญญาไปเกิดแทนไปทําหน้าที่แทนอะไรคือสมมุติอะไรคือวิมุติอย่าปิดกั้นตัวเราทุกคนมีโอกาสทุกคนก็มีบุญกันหมดนั่นแหละแต่จะรู้จักขวนควาย จะสร้างให้มีให้เกิดขึ้นหรือไม่เราเป็นคนขยันหมั่นเพียรเป็นคนมีความอน่อน้อมทำตนมีความปัจันญูกะตะเวทีสิ่งพวกนี้เป็นตะบะบรารมีของพวกเราทั้งนั้นออตั้งแต่ตื่นขึ้นมาสมมุติของเราอะไรยังขาดตกปกพ้องเราก็ยังสมมุติความเป็นอยู่ของเราให้ดีให้มีความสุขนั้นก็เป็นการสร้างบรารมีของตัวเราแต่เราอาจจะไปคิดว่าไปวัดไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมถึงเป็นการปฏิบัติธรรม อันนั้นก็เป็นได้เพียงแค่เชี่ยวเดียวเราต้องดูตั้งแต่ตื่นขึ้นมาดูใจของเราอะไรขาดตกปกป้องเราก็รีบทําเสีย้ยอันนี้มันถูกหรือไม่ถูกอันนี้มันผิดเราก็พยายามละเจริญทางกุศลแต่ไม่ยึดติดละอ ก, ะละกุศลเจริญกุศลทุกสิ่งทุกอย่างก็อิงอาศัยกันหมด เราก็ต้องพยายามนวนและหมดลมหายใจเราถึงจะได้พัดพากจากร่างกายก้อนนี้จริงๆที่นี่เราไปดับความเกิดของใจนู่นเราคลายได้ปล่อยวางได้ขณะยังมีลมหายใจเราดับความเกิดได้ขณะยังมีลมหายใจอยู่ขณะที่ยังคองธาตุขันนี้อยู่กายเนื้อแตกดับ มองเห็นทุนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันถ้าเราละ ก, กิเลสได้คลายความหลงไ้าดับความเกิดได้เราก็ไม่ได้กลับมาเกิดกั น, นก็ต้องพยายามปะนะสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องสักนิดนึงก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทำทำใจให้ว่าสมองให้โล่งทากายให้โปรง่งมีความรู้สึกรับรู้อยู่ที่ปลายจมูกของตัวเราเองให้ชัดเจนนะอ่าปากันไหวปรับพร้อมๆกัน อยไปทำความเข้าใจให้รู้ทุกเรียบบท